บทที่สามสิบสี่จอมพลานค่อยๆเอานิ้วเสยเปิร์ปีกหมวกที่ครอบหลบลงมาเปิดหน้าไว้ขึ้นม่านตาเผยขึ้นทีละน้อยแต่ยังนอนยิ่งเป็นดุษฎีในท่าเดิมประสาทสัมผัสทุกส่วนเปิดพร้อมริมตัวด้านซ้ายมือไฟฉายแบบดานาลัต์ยังแตะอยู่กับท่อนแขนเพราะวางไว้ข้างๆส่วนขวามือลำกล้องของวินจุดสี่ห้าแปดแม็กขนาด แนบอยู่ข้างหลังฝาแนบอยู่กับหลังฝ่ามือเนื้อเหล็กเย็นเฉียบราวกับก้อนน้าแข็งหินลักษณะเป็นแท่นที่อาศัยนอนหลับเป็นที่กําบังริมทางด่านซึ่งลงไปสู่ลําห้วยด้านล่างคงอยู่ทางด้านปลายเท้าและส่วนศรีรษะของเขาที่หนุนเป๊กก็หันไปทางที่ตั้งของแคมเหมือนเดิมไม่ได้ผิดทิศทางไปนั่นเป็นการซักซ้อมความรู้สึกทบทวนความจําและในขณะนี้ รัศมีจากกองไฟที่ลุกวอมแวมอยู่ก็สาดสลัวรังๆมายังตำแหน่งที่เขานอนรอบด้านเป็นเงาตะคุ่มไปหมดและดูหมุนมัวจากละอองหมอกซึ่งไม่ชราบว่ามันเริ่มกอ่อตัวตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ว่าบัดนี้โปรยเป็นม่านขาวบางๆเปียกชื้นไปหมดแต่ระบบจักรสูบศาสาร์ของเขาเคยชินเสแล้วกับสภาพอันมืดสลัวมัวซัวเช่นนี้ในความเงียบมีเสียงของการเคลื่อนไหวอย่างแผ่วเบ า, บาออกมาจากป่ารกริมทางด่านปลายเท้าของเขา ดูเหมือนจะเป็นกิ่งไม้ถูกละมันแววมากรากเดียวแล้วก็สงบนิ่งต่อมาอีกพักใหญ่ก้อนหินในป่าอีกซีกหนึ่งของทางดานก็ลั่นคลึกเพียงครั้งเดียวเท่านั้นก็สงบไปอีกห่างไกลลงไปยังลําห้วยที่มีเสียงน้ําไหลเซาะแก่งหินอยู่รดีๆท่าหูไม่ฝะก็จับเสียงแยกต่างหากออกจากน้ําไหลได้อีกแม้จะเบาแสนเบ า, บาสักเพียงไรก็ตามมันกําลังย่องข้ามทานมาจะกฟังตรงข้ามเสียงกรวดในน้ําใต้พื้นทานไหว พรานใหญ่ดึงกายขึ้นนั่งทันทีสำสำเนียงผิดวิกลทั้งหลายที่จับได้เป็นระยะระยะก็พรานสงบไปในบัตรดนเรื่องอุปทานหรือหูฝาดไม่ต้องพูดถึงสำหรับพรานผู้จัดเจนอย่างเขาเหลือไปอยังมีดโบวีที่ปักไว้ข้างศีรษะแม้บรรยากาศจะมืดสลัวเช่นไรใบอันขาววับของมันก็ยังสว่างโพลนอยู่ในเงามืดและบัตรนี้ก็ยังสั่นพริว้วเหมือนจะได้รับแรงสั่นสะเทือนนั้นจากแม่พระธรณี ซึ่งขาบูชาวไว้ก่อนที่เอนชิสะลงนอนกระกายแสงไฟจากใบมีดสะท้อนวาวราวกับจะแผ่รังสีออกมาจากตัวของมันเองมองแว บ, บหนึ่งขึ้นไปยังบริเวณที่ตั้งแคมป์ทั้งหมดมันเงียบสงบกองไฟทุ ก, กองสว่างโชนในบริเวณนั้นอันแสดงว่าพวกเวรยามทั้งหลายไม่มีการหลับยามแน่นอนแต่ก็ไม่ทราบ ว, ว่าอยู่ที่จุดไหนกันบ้างและเขาก็ไม่แน่ใจว่าพวกนั้นโดยเฉพาะพวกพรานตัวการของเขาทั้งสี่คน จะสำเนียกได้กับการคลืบเข้ามาใกล้ของสิ่งลี้ลับที่ตนเองสัมผัสได้ในขณะนี้ด้วยหรือไม่นาฬิกาพลายน้ําที่ข้อมือใช้ระบบการเดินด้วยอัตโนมัติของแรงสั่นสะเทือนชี้เวลา 20.4 สห้านเท่านั้นมันเป็นไปได้อย่างไรเพราะนั่นมันเป็นเวลาเดียวกับที่เขาจําได้ว่ามายึดที่นอนตรงนี้และมองเวลาไว้ก่อนแล้วก่อนจะเองศีรษะลงยกขึ้นดูในขณะนี้มันก็ยังชี้เวลาเดิมอยู่นั่นเองแต่แล้วเมื่อจ้องที่เข็มวินาที ประพินก็หัวคิ้วย่นเข้ามากัอบจะหลดกันเข็มวินาทีหยุดเดินลงเสียแล้วมันแปลว่านาฬิกายหยุดเครื่องกลไกลของมันตั้งแต่เวลาที่เขาได้ดูไว้เป็นครั้งสุดท้ายตอนที่ล้มตัวลงนอนนั่นเองเอื้อมมือไปแตะสัมผัสที่มีดโบวี้อันปักดินอยู่ตามปกติแล้วถ้ามันอยู่ในอาการสั่นพลิวปรากฏเป็นเสียงเหมือนเคาะระคังเล็กๆรัวอันหมายถึงสัญญาณเตือนอันตรายเช่นนี้ใบมีดจะต้องร้อนฉาราวกับถูกไฟรนทีเดียว ไม่ว่ามันจะปักอยู่ที่ไหนในอาณาจักรไพรที่เขาบุกเบิกมาแล้วแต่คืนนี้เดียวนี้มันสั่นเตือนขึ้นก็จริงเพราะว่ากลับปรากฏว่าตัวใบมีดเองก็เย็นเฉียบพอๆกับก้อนกรวดรอบกายของเขาในขณะนี้ดูผิดสังเกตไปมากยังไม่ทันจะพิเคราะห์อะไรให้ทองแท้กระจ่างแจ้งออกไปก็ปรากฏเสียงหนึ่งดังขึ้นจากอย่างจู่โจมกระทันหันที่สุดเหมือนกิ่งหรือท่อนไม้ขนาดเคืองๆถูกเบี่ยงกว้างออกมาจากลาวป่าทางด้านซ้ายมือ ยิงจากแท่นหินที่เขากำบังตัวอยู่เป็นการลอยมาอย่างแรงมากเชนิดกระทบไปไม้พวกพระแล้วล่นลงมากระทบพื้นอันอุดมไปด้วยกรวดหินกลางทางด่านด้านล่างดังตุ้บใหญ่ห่างไปแค่ไม่กี่วาเท่านั้นกับตำแหน่งที่เขาอยู่ในขณะนี้พร้อมทั้งเสียงกริ้งครุบๆเหมือนลูกขนุนอยู่สองสามทอดจากนั้นก็สงบนิ่งประพินกระชากมีดอาคมของครูพานออกมาจากการปักติดแผ่นดินขึ้นมาทันที จบขึ้นเหนือศีรษะบูชาและสอดเข้าฝักข้างเอวตามเดิมมือซ้ายฉวยไฟฉายไดนาไรทมือขวากำคอไรเฟิลตวัดขึ้นอย่างเบากริบพอประกบไฟฉายเข้ากับประโจมมือเขาก็อยู่ในสภาพที่พร้อมแล้วค่อยๆเลาะแท่นหินอันมีลักษณะประหลาดนั้นอ้อมมาอีกด้านหนึ่งโดยไม่ยอมให้บังเกิดเสียงใดๆทั้งสิ้นพลนซอกที่เวาวคอดก็จะมองไปยังเส้นทางด่านและราวป่าทะมึนมืดเป็นหมอกมัวอยู่นั้น ก็ประทับไรเฟิลขึ้นไหลพร้อมเสนสกิดห้ามไกลออกตาจ้องไปยังตำแหน่งอันเป็นที่มาของเสียงหลนกริ่งอยู่แต่ยังไม่เปิดไฟฉายพยายามใช้สายตาเพ่งฝ่าความมืดออกไปก่อนเสียงที่เงียบกริ่ไปอึดใจปัดนี้ดังขึ้นอีกแล้วเป็นเสียงกรวดลั่นอยู่แสกแสกเหมือนสัตว์สองเท้าหรือมีฉนั้นก็ประเภทงูกําลังกระดืบตะกายขึ้นมายัางตำแหน่งที่เขาซุ่มอยู่ใกล้เข้ามาใกล้ขึ้นมาตามลําดับอย่างเชื่มช้าดูราวกับว่า ขณะนี้มันหางจะกเขาเพียงแค่สองวาเท่านั้นพร้อมกับเสียงหัวเราะแหบๆแผ่วต่ําในลําคอฝังแล้วเย็นเยียบเข้าไปถึงไขสันหลังไปฉายล่าสัตว์ก็พุ่งปราดเป็นลําจ้าตรงไปยังภาพของเงาตะคุม่มอันเต็มไปด้วยปริศนานั้นในทันทีปริบตาที่เห็นแม้สติและกําลังใจจะดีเยี่ยมเนื้อกว่าบุคคลในลายเฉลี่ยทั่วๆไปประพินไพรวันในขณะนี้ก็แทบพผงะร่างหนึ่งลักษณะเหมือนมนุษย์แต่มีเฉพาะท่อนบนแค่เอวเท่านั้น ส่วนล่างขาดหายไปกําลังใช้แขนของมันทั้งสองข้างแทนขาหน้าแต่กายลากตัวของมันขึ้นมาดุดอาการคลานของสัตว์ส่วนหัวและใบหน้านหน้าเกลียดหน้ากลัวจนสุดจะบรรยายได้นั้นเชิดเผเ ย, ยอขึ้นจากพื้นในระดับเท่ากับแขนทั้งสองข้างที่ยันพื้นไว้แล้วก้าวสลับอยู่ในขณะนี้ดวงตาในกระบอกโหรึกทั้งคู่เบิกโพรงลิ้นฟีปากสยายแลเห็นฟันซี่โตโตบางซี่หักหายไปจึงเป็นแนวฟันห่างๆปากและฟันนั้นขยับขึ้นขยับลงอย่างรวดเร็ว เสียงกระทบกันดังกับกับเสียงหัวเราะแหบต่ําที่เขาได้ยินแววออกมาจากปากและฟันอันหน่าเกลียดนั้นอาการของมันดูไปเป็นอื่นไปไม่ได้เป็นอันขาดนอกจากจะลากตัวเองตรงเข้ามาหาเขาเพื่อ ง, งับกัดจากปากที่มีฟันอันหน่าทุเรศและคนหน้าสะพึงกลัวนั้นสิ่งที่เห็นอยู่ในภาวะนี้เป็นภาพและพฤติการที่เขาไม่เคยประสบพบเห็นมาก่อนเลยและจําไม่ผิดไปอย่างแน่นอนมันก็คือไอ้ผีดิบตัวที่ถูกระเบิดของเชิดวุษวางกับดักไว้ขานเป็นสองท่อนเมื่อตอนบ่ายที่แล้วมา น, นี่เอง ปัดนี้มันปลิวออกมาจากป่าเหมือนถูกอะไรยโยนให้มาตกอยู่ในตำแหน่งใกล้เคียงกับเขามากที่สุดโดยพลังส่งของอะไรชนิดหนึ่งและต่อจากนั้นก็ตะกายกระดืบเข้าหาเขาในอาการของกึ่งปีาศาจกึ่งอสรพิษร้ายเฉพาะที่ดวงหน้าของมันขณะที่ซากขาดครึ่งท่อนอยู่เมื่อตอนกลางวันวันนี้แม้ว่าจะดูหน้ากเกลียดหน้ากลัวสักเพียงไหนมันก็เป็นเพียงซากโบราณกระดูกฉินเท่านั้นแต่ในขณะที่เขาจ้องตะลึงมองมันอยู่ในขณะนี้มันเป็นใบหน้าที่สวมวิ ญ, ญญาณเข้าไปแล้ว ตาลืมได้ปากขยับได้แต่ร่างกายแม้จะเหลืออยู่แค่ครึ่งท่อดก็เคลื่อนไหวได้ตามสภาพของมันโดยใช้สองแขนเท้ายันพื้นแทนตีนเดินร่างกายที่ขาดครึ่งตัวเข้ามาอีกประมาณสองศอกเท่านั้นบนหนทางเทราดของทางดานใบหน้าของมันก็จะถึงปากลำกล้องไรเฟิลของเขาสติกลับเขินมาสู่ตัวในบัตรนั้นประพินเหนียวไกทันทีกะว่าหัวของมันควรจะต้องแยกเป็นเสียงไปในพริบตาด้วยอนุภาพปะทะของกระสุนไรเฟิลยิงช้างระยะเผาขน เสียงเข็มแทงจนวนกระแทกลงไปยังจานท้ายกระสุนดังแชะหัวใจของเขาหลุดลงไปถึงปลายท้าในใจว่าได้อุทานเฮ้ยออกมาสุดเสียงแต่ก็ไม่ปรากฏสำเนียงใดๆผ่านลำคอของเขาออกมาได้เลยเลือดทุกหยดแทบจะจับเป็นก้อนแข็งบัดนี้การเคลื่อนไหวของเขาจึงเป็นไปโดยสัญชาตญาณเท่านั้นสมองไม่ได้เป็นตัวบงการเชื้อแล้วเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้กระสุนที่ด้านอย่างปราศจากเหตุผลทั้งๆ ท, ท, ที่หมายเอี่ยมในรังเพลิงนักนั้น ถูกกระชากให้ปลิวออกมาจากรางเพลิงนัดใหม่ก็ยัดกลุ่มเข้าไปแล้วไก่ก็ถูกเหนี่ยวอีกครั้งทีนี้ระยะมันเหลืออยู่แค่เพียงศอกเดียวแชะเป็นนัดที่สองแทนที่จะระเบิดสนั่นลั่นโลกเหมือนเคยเป็นและควรเป็นไอผีดิบขาดครึ่งตัวขยับปากงับกลุ่มกลุ่มเป็นจังหวะอยู่เช่นนั้นลักษณะของมันบ อ, บ, บอกให้ซับช่าบอกให้ทราบชัดว่ามันจะคลานเข้ามาขย้ำกัดกินเขาเสียให้หมดทั้งตัวไม่มีการพยายามยิงนัดที่สามอีกต่อไปแล้วเพราะมันผิดวิกลปรัดไปหมด จนสุดปัญญาที่เขาจะคิดค้นหาสาเหตุได้แต่ว่ากระสุนด้านพร้อะเสริมสภาพก็ใช่ที่ทุกนัดของเขามันล้วนเป็นกระสุนใหม่เยี่ยมแกะกล่องทั้งสิ้นปลอกทองเหลืองสุกอรามราวกับทองผ่านออกจากโรงงานผลิตคงไม่เกินห้าหกเดือนมานี้เองรวบรวมพลังจิตเข้ามาเป็นกลุ่มก้อนและคุมไว้มัน่นสะกดจิต ล, ลึกระลึกถึงพระรัตะนะตรัยรัตและครูบาอาจารย์และจอมพลานก็เสือกระทุง้งปลายลำก้องของเ ข, เขาเข้าไปที่ใบหน้าซึ่งกําลังสายล่อล่ามีอาการเหมือนจะคขับ เมืนจะงับเคี้ยวแม้กระทั่งเหล็กลำกล้องปืนโคลมเดียวเท่านั้นกระทบเข้ากับฟันหน้าแด้ปากที่กำลังอ้าเสยียฟันหน้าเกลียดซี่หนึ่งหลุดกระเด็นและหน้าของมันก็พังงะงายไหลคูดออกจากตำแหน่งที่คลานขึ้นมาห่างลงไปประมาณหนึ่งวาพร้อมกับเสียงร้องโอ้โวยออกมาดังๆประพิิหมุนตัวกลับจะเพนออกจากบริเวณแท่นหินนั้นแต่แล้วก็จะนักไปอีกครั้งเพราะบัดนี้ในกลุ่มหินเล็กๆขวามือเจ้าสิ่งดีรักเหนือธรรมชาติอีกตัวหนึ่งกำลังคลานด้วยแขนและเขา่า ย่างเหมือนเสือโคร่องเอามาสกัดหน้าไว้จากลําไฟฉายเขาก็จําได้อีกมันเป็นตัวที่เขายิงบานพับถูกลูกสบ้าแตกละเอียดไปในเวลาใกล้เคียงกับตัวที่ถูกระเบิดเชิดบุดขาดสองท่อนบัดนี้เห็นชัดเต็มตาว่าพวกมันตามมาแล้วในลักษณะวิกลวิการตามสภาพเดิมของมันไอตัวที่ขาดครึ่งท่อนก็ใช้สองแขนตะกายแทนเท้าส่วนตัวที่ไม่สามารถจะเดินได้เพราะกระดูกสบ้าแหละก็ใช้วิธีคลานสี่ตีนแยกเขี้ยว าปากแงบแงบเข้ามาเช่นนั้นเข้ามาเช่นกันจอมพลานขยับก้าวถอยหลังช้าๆไปทางด้านซ้ายมือทั้งสองกระชับไลเฟิลมั่นกะว่าถ้าจวนตัวเข้าระยะเมื่อไหร่จะเล่นงานมันด้วยข่อนเหล็กผสมไม้จากลาเฟิลประจํามือนี่แหละประสาททุกส่วนชาดิคเขาอยากจะคิดว่าตนเองกําลังฝันร้ายไปแต่ก็หาใช่ความฝันมันเป็นความจริงที่เขาเผชิญหน้ายูโดเดียวตามลําพังโดยไม่มีลูกน้องหรือพรรคพวกคนใดมาร่วมรู้เห็นด้วยทั้งสิ้น เพียงแค่สองก้าวเท่านั้นที่เคลื่อนตัวออกมายังไม่ทันจะพ้นแท่นหินเสียงพื้นกรวดผสมกับพุ่มไม้เล็กๆก็ลั่นสวบขึ้นทางด้านที่จะสแสวงหาทางออกหันขวบมาจะประคุณเอ้ยจังหน้ากันดีเหลือเกินห่างแค่ไม่เกินสองวาเท่านั้นทมืนทึนสูงตระงานขนาดเจ็ดฟุตก้าวพน้นพงรกในเงาหมือดออกมาสกัดว่าอีกด้านหนึ่งแบบล้อมกรอบหมดทุกด้านจะอื่นไกลที่ไหนมันก็คือไอ้ตัวที่เขาและบุญคํานั่งแข็งโดอยู่ เป็นตัวแรกเหนือลำห้วยของป่าไผ่เมื่อวานวานและเมื่อย้อนกลับไปดูอีกครั้งมันก็อันตรฐานไปซสีแล้วครั้นตกดึกของคืนที่ผ่านมาก็ย่องเข้ามาเล่นงานลูกหับเจ้าสองศพโดยไม่ระคายกับลูกปืนของคริสติน่าที่ยิงเจาะทะลุผ่านลำตัวไปเลยหลังยืนพิงแผ่นของแท่นหินหันหน้าเผชิญกับไอ้อสุรกายจากนรกสองตนตนหนึ่งคลานสี่เท้าอีกตนหนึ่งยืนทะมึงถึงจังก้า ต่างแขนอันยาวเหยียดเหมือนจะสกัดกั้นโอบต้อนส่วนต่ำลงไปด้านหลังไอตัวที่ถูกกระทุ้งด้วยไรเฟิลก็ขานกระดือบกระดือบเสียงกรวดลั่นแสกแสกตะกายเข้ามาอีกประพินไพรวันถูกปิดล้อมและเข้าภาวะวิกฤตขีดสุดแล้วกระสุนจากไรเฟิลในมือก็ไม่ยอมทำงานตามหน้าที่ของมันอยู่ไม่อยู่ทรยศ์เืดือ้อจะเหลืออะไรอยู่อีกสาหรับเขานอกจากเครื่องรางประจาตัวคาถาอาคมสายเวทที่ล่าเรียนมา กับมีดหลงอาคมเล่มเดียวเท่านั้นปืนนะ่ะไม่ต้องไปหวังพึ่งแล้วในขณะนี้นอกจากจะอาศัยแทนไม้พลองเท่านั้นจะส่งเสียงร้องตะโกนเรียกลูกน้องหรือพักพวกทั้งหลายบนแคมป์อันเงียบสงบในยามนี้หลอดเสียงก็ดูเหมือนจะตีบตันไปหมดแขนขาหนักอึ้งราวกับมีอะไรมาถ่วงไว้มันทั้งสามซึ่งมีสภาพคนละลักษณะและลุมร้อมมารอบด้านกำลังใกล้เข้ามาเจ้าตัวที่มีร่างกายสมบูรณ์ดีที่สุดซึ่งกางแขนทั้งสองออกอ้ากว้างเหมือนจะดักทางไว้ ปัดนี้ยืดเยียดยืน่นตรงขนานเข้ามาข้างหน้าพุ่งมายังลำคอเข้าในขณะที่อีกสองตนอันมีร่างกายชำรุดหนึ่งคลานอีกหนึ่งตะกายขยับกรามอยู่กล่วมกล่วมเตรียมงับกัดดังหมายจะฉีกเขาออกเป็นชิน้นชิ้นด้วยซี่ฟันอันส ก, กปรกคุณหญิงครับเมื่อคุณหญิงได้รับจดหมายของผมฉบับนี้ก็ควรแปลว่าผมได้ออกจากหนองน้าแห้งไปแล้ว ถ้าคุณอัมพลรักษาสัจจะตามคำมั่นสัญญาที่ผมขอร้องไว้ผมจะบายหน้าไปไหนเพื่ออะไรขณะที่ผมเขียนอยู่นี้ผมก็มึนงงไปหมดไม่อาจบอกถูกเหมือนกันรู้แต่เพียงว่าผมไม่มีทางจะหลีกเลี่ยงได้เพราะภารกิจงานสำคัญของประเทศชาติรายละเอียดต่างๆคุณอัมพลคงจะอธิบายให้คุณหญิงและท่านที่ผมเคารพนับถือทุกคนทราบได้ดีกว่าที่ผมจะเขียนเล่าได้ในขณะที่สมองมึนงงไปหมดเช่นเดียวนี้ ผมเสียใจและเสียดายอย่างยิ่งอย่างไม่ทราบว่าจะเอ่ยหรือเขียนบรรยายความรู้สึกอย่างใดได้ในการที่ผมผิดสัญญาพลาดโอกาสที่จะมาอวยพรในงานวันเกิดของคุณหญิงจึงขอถือโอกาสนี้อ่านวยพรสั้นๆแต่เพียงว่าขอให้คุณหญิงจงมีความสุขในคราวครบรอบวันเกิดครั้งนี้และตลอดไปผมได้ทาพินัยกรรมขึ้นเป็นสองฉบับฉบับละสามชุดข้อความตรงกันในแต่ละชุด ฉบับแรกเป็นของผมเองที่จะกำหนดทรัพย์สมสิทิของผมเท่าที่พึงจะมีอยู่เพื่อมอบหมายให้แก่คุณและให้แก่คุณแม่ของผมซึ่งผมมีอยู่เพียงคนเดียวในโลกนี้และท่านก็ไม่ทราบเลยว่าผมเดินทางไปไหนอนาคตจะเป็นอย่างไรเพราะผมเรียนท่านได้แต่เพียงว่าออกป่าตามธรรมดาวิสัยของผมอีกฉบับหนึ่งเป็นของคนของผมสี่คนและลูกหาบอีกสิบคนซึ่งจะมอบมรดกอันเป็นเงินสดที่ฝากไว้กับธนาคารให้แก่ครอบครัว รูกญาติพี่น้องของแต่ละคนในกรณีที่ทั้งผมและพวกผมอีกสิบสี่คนมีอันเป็นไปถึงแก่ชีวิตหรือหายสาบสูญไปพินัยกรรมทั้งสองฉบับฉบับละสามชุดดังกล่าวนี้ชุดที่หนึ่งฝากไว้ในเซฟเก็บของของธนาคารในตัวจังหวัดชุดที่สองฝากไว้ที่คุณอัมพลชุดที่สามผมขอบารมีคุณชายเชษฐาเป็นที่พึ่งได้โปรดเป็นผู้เก็บรักษาและช่วยดูแลให้เป็นไปตามนายะไนยะที่ระบุไว้ในพินัยกรรมด้วย สิ่งที่ผมจะขอร้องเฉพาะคุณหญิงก็มีอยู่เพียง4ีประการเท่านั้น 1. ทำใจทำกายให้เป็นสุขและปลงเสถดมนุษย์ทุกรูปทุกนามฝากชีวิตไว้กับดวงชะตาไม่มีใครสามารถจะลิขิตชีวิตของตนเองได้อะไรมันจะเป็นไปมันก็ต้องเป็นไป 2. คุณแม่ผมชลามากแล้วและท่านไม่มีใครอื่นอีกนอกจากผมซึ่งอาจไม่มีโอกาสกลับไปสนองพระคุณท่านได้อีกขอฝากคุณแม่ไว้ในความเมตตาของคุณหญิงด้วย อย่าได้แพร่งแปรให้ท่านรู้เป็นอันขาดว่าผมจําเป็นต้องเดินทางอย่างไม่รู้อนาคตสามโปรดอย่าให้คิดติดตามผมให้เหนื่อยยากและเสี่ยงชีวิตโดยใช่ที่เลยถึงอย่างไรคุณหญิงก็ไม่มีวันตามผมพบหรอกสประการสุดท้ายเมื่อคุณหญิงได้อ่านจดหมายฉบับนี้แล้วและได้รู้ความจริงทั้งหมดแล้วกรุณาอย่าได้ตำหนิจีเตียนใดๆคุณอัมพลไม่ว่าในกรณีใดทั้งสิน้นเพราะมันไม่ใช่ความผิดของเขาเลยเขาผู้ซึ่งเป็นมิตรที่ดีกับพวกเรามาโดยตลอด ซื่อสัตย์สุจริตราชสกุลของคุณหญิงและเป็นสุภาพบุรุษผู้รักษาสัจจะวาจาที่ให้ไว้แก่ผมผมกราบลามายัางคุณชายเชิฐาคุณชายอนุชาคุณชัยยันและพัญญาของเขาเมยพร้อมทั้งขอส่งความรักความปรารถนาดีมายังบุตรของเขาทั้งสองซึ่งควรจะคลอดแล้วด้วยขอให้เด็กจงมีสภาพพลานามัยที่สมบูรณ์โตวันโตคืนและถ่ายทอดนิสัยความกล้าหาญอดทน มีวิญญาณนักสู้เหมือนผู้ให้กำเนิดเขาทั้งสองด้วยเถิดสำหรับคุณหญิงลาก่อนครับผมจะกลับมาถ้ายังไม่ตายระพินภายในห้องรับแขกใหญ่นั้นเงียบกริบขนาดเข็มตกก็คงได้ยินนาฬิกายืนขนาดใหญ่ริมผนังห้องดังกังวานขึ้นเป็นจังหวะช้าๆสิบเอ็ดครั้งเสียงของมันกระหึ่มไปหมดทุกอนูของบรรยากาศในห้องสงบที่มีบุคคลรวมกัอยู่ทั้งสิ้นจานวนห้าคนอัมพลพลากร ข อ, อ, อกอรบริษัทไทวายไลยฟ์นั่งอยู่ก้มหน้าคอตกอยู่ที่เก้าอี้ตัวหนึ่งเชตดขาอนุชาและชัยยันจ้องตามไม่กระพิบไปยังดารินผู้บรรณิกายสั่นเทาขณะที่ยืนอ่านจดหมายสองหน้ากระดาษนั้นด้วยดวงตาอันเบิกโพรงและใบหน้าขาวซีดราวกับศพทุกคนอยากทราบข้อความในจดหมายอย่างใจจดใจเจาะแต่เจ้าของจดหมายอันมีชื่อตามจาน้าอ่านานานเหลือเกินดูเหมือนว่าครั้งแรกจะอ่านอย่างรวดเร็วไปเที่ยวนึงก่อน และต่อมาก็เริ่มต้นใหม่โดยแกะไปทีละตัวประโยคต่อประโยคของข้อความที่เขียนด้วยลายมือเรียบๆนั้นตลอดระยะเวลาไม่มีใครเอย่ยคําใดขึ้นเลยนอกจากมองไปยังหม่อมราชวงศ์สาวเป็นตาเดียวกระสับกระสายและรุ่มร้อนแทบระเบิดและทุกคนก็สะดุ้งสุดตัวเมื่อดียินเสียงแหลมกรีดร้องเรียกนามก้องไปทั้งห้องวรพินแล้วร่างของราชสกุลสาวก็สั่นเทอมอยู่ก็ล้มฟาดทั้งยืนทายันเป็นคนที่อยู่ใกล้ที่สุดเพนพรวดเข้ามา ว้าตัวไว้ในอ้อมแขนได้ทันก่อนที่หญิงสาวจะฟาดลงกับพื้นที่จะอีกสองคนก็ถลันถึงตัวน้อยทุกคนร้องล่านอย่างตกใจเป็นเสียงเดียวกันหมดเป็นลมหมดสติช็อกเร็วช่วยกันไทยยันโวยวายและล่ำระลักแทบไม่เป็นภาษาอุ้มเพื่อนสาวไปวางนอนไว้บนโซฟาเทถาเข้ามาขย่าตัวเรียกน้องสาวทีทีส่วนอนุชาหันรีหันขวางทาอะไรไม่ถูกนายอําพลเองก็เพนพรวดขึ้นยืนภายในห้องอันเคยเงียบกริบไปชั่วขณะโหรหนโหรมานไปหมด เสียงพี่ชายใหญ่ตะโกนสั่งการอะไรกับน้องชายกลางลงเรียนกันไปทังห้องเมื่อ น, นั้นเองอนุชาจึงแล่นโครมโครมขึ้นไปชั้นบนดุจใจก็กระโดดพรวดพราดพรด้อมกับขวดแอมโมเนียและสำลีแนมพลเองขณะนี้ก็วิ่งพลาดยอยู่ในห้องเงอะงะไปหมดไม่ทราบจะช่วยเยอะเหลืออย่างไรถูกนอกจากจะคลางซ้ำๆว่าโท่คุณหญิงโท่คุณหญิงดารินวราริศหล่อนช็อกหมดสติไปเสียแล้วภายหลังจากความรู้สึกกดดนันทวีขึ้นถึ ง, ถงขีดสุดจนเหลือที่จะระงับค ว, ความควบคุมไว้ได้ เสียงที่เรียกนามของระพินนั้นกึกกร้องไปในคลื่นอากาศแหลมยาวสะท้อนเยื่อเข้าไปทุกโสตประสาทที่ได้ยินเป็นเสียงร้องมาจากจิตวิญญาณของหญิงหนึ่งที่กู่เรียกเรียกชายหนึ่งด้วยความหมายหลายประการปะปนกันตื่นตระหนกเกินควาดฝันมาก่อนพวงหาอาธรโทรมนั์ใจขีดสุดมันเป็นข่าวร้ายกระทันหันเหลือเกินด้วยพลังจิตครั้งสุดท้ายที่แพร่เรียกนามนั้นออกมาแรงกล้าณกรที่ปาลาฤกเจตสิกเจพะ พ, ะะพะละวูบออกจากร่างชั่วขณะ ร่างกายอันเป็นอินทรีหยาบของหญิงสาวแน่นิ่งไปแล้วแต่ดวงปราณพุ่งปราดไปในทันทีไปกับกระแสเสียงที่แทรกซึมอยู่ในคลื่นอากาศนั้นมันพุ่งขึ้นเบื้องบนก่อนแล้วสะท้อนเป็นรัศมีลงมายังพิภพโลกอีกครั้งกระจาย ด, าด้านด้นทุกมุมโลกกระดุดคลื่นวิทยุระพินเสียงบีดแหลมยาวแทรกออกมาทุกทิศในราวป่ารอบด้านสถานรับมันเป็นช่วงๆกระทบไปยังหน้าผาและสะท้อนกลับไปมาระหว่างคุนเขาต่อขุนเขาที่แวดล้อมเป็นทิวระพินพลายวันพวกกำลังอยู่ในภาวะเหมือนคนถูกสะกด ติสัมปัญญากลับคืนมาในบัดนั้นเขาได้ยินกระแสเสียงประหลาดนั้นอย่างถนัดชัดเจนทั้งโสดและทั้งจิตจำได้อย่างชัดเจนว่ามันเป็นเสียงของดอกแม่ดอกฟ้าดารินของเขามันกล้องมาจากไหนกันนี่ชุดปลุกเรี่ยวแรงอันอ่อนเปรี้ยของเขาให้กลับฟื้นคืนพลังขึ้นในวินาทีดับจิตอสุรกายจากนรกทั้ง3ตนชะ ง, งักกึกเหมือนมีอะไรมาฉุดกระชากไว้อย่างน้อยก็วิบตาหนึ่งจังหวะนั่นเองอค า, าถาอาคมที่เสมือนต้องหะจังงางหลงลืมไปเสียหมดสิ้นก็ปลูกปลงขึ้นในบัดดน แงนวูบขึ้นไปบนท้องฟ้ามันจะค้นหาที่มาของเสียงเรียกน้มแล้วก็หันขวับมาประจันหน้ากับไอ้ผีดิบตัวที่ยื่นแขนใกล้เข้ามาที่สุดตาเขาซึ่งเมื่อครู่นี้กำลังจะรีปปีลงบัดนี้ลุกสว่างโชนประสานกับประกายตามีแสงเหมือนทับทิมของมันซึ่งจ้องเขม็งมาปิสาเจวะเอหิมะมะกูเอามึงบ้างละทีนี้บริกรรมสั้นๆเพียงคาบเดียวระพินก็คำรามลั่นออกมา สวัสด์ผ่านท้ายลาเฟินเบียงโครมเข้าไปที่สีข้างของไอ้ผีดิบหมื่นปีที่กำลังจะยื่นมือมาขยุ่มก้านคอเขาตูมเดียวเรากับเป็นพลังของเทพเจ้าผู้ปกครอง น, กนกรกมนรกภูมิเข้ามาสิงสูง่ร่างสูงใหญ่ต่างงากเนื้อผ ง, งะลอยพื้นจักทั้งตัวแล้วล้มฟาดลงตะแคงลงดินดังสนัน่นพร้อมกับเสียงร้องโอ๊กที่ไม่ใช่สำเนียงมนุษย์เจ้าตัวทางซ้ายมือที่คานสี่ตีนเรากับเสืออ้าปากงปงปงปแงบแงบไปกัดขาเขาถูกบาทาเสยปังเข้าไปกลางใบหน้าริ่งมวนไปสามทอดยังกระถูกช้างเตะ ระพินบ้าเลือดเสียแหละเขาหันขวับมาทางด้านหลังอสุรกายที่ล่างขาดครึ่งท่อนโผล่หน้าของมันพ้นซอกหินออกมาแล้วโดนเส้นผ่านท้ายกดเปรี้ยงขยี้ลงไปกลางหัวแล้วอัดลงติดพื้นกระทืบซ้ําได้เท้าเข้ามาพราะจะกระทืบให้จมทรณีเลยหัวของมันถูกเหยียบลงไปติดดินมือทั้งสองโบกพัดแกว่งไปมาและตะวัดขึ้นมาเหมือนจะโอบจับข้อเท้าของเขาไว้ด้วยนิ้วหนังหุ้มกระดูกอุดมไปด้วยเล็บเหมือนตีนเหี่ยวแต่แล้วมือทั้งสองก็พงังงะออก ไม่อาจจะแตะต้องร่างกายของเขาได้แต่ก็ยังโบกแหว่งกวายอยู่เช่นนั้นไม่ยอมสงบตัวที่คลานสค่ขาก็พยุงกายขึ้นช้าๆเยื้องคลานปรีเข้ามาอีกในขณะที่ไอ้ตัวใหญ่เธอมือนตีลังกาไปสงบทิสสะมาขึ้นมามะเรียงหน้าเข้ามาไอ้คนนรกสาเขาร้องท้าขณะที่ยังเหยียบหัวของล่างที่ขาดครึ่งท่อด น, นั้นไว้อีกมือนึงกระช่างมีดโววี่วงอาคมขึ้นมาจะชับไว้แน่นทันทีที่มีดหุดออกจากฝักเสียงประกายเขียวปราดราวกับอาบไว้ด้วยพลายน้ํา เจ้าตัวที่คลานมุ่มงง่ามอยู่ก็ทิ้งกายหวบนอนคู่เหมือนท่อนไม้ไม่ผิดอะไรกับตุ๊กาตาคนที่หมดรานส่วนไอ้ตัวใหญ่ที่ดูเหมือนจะเป็นหัวหน้าก้าวถอยหลังช้าๆเข้าสู่เงามืดของปา่าริมทางที่มันโผล่ออกมายังไม่ถอยไปไหนไกลแต่แฝงเงาอยู่ใกล้ๆนั่นเองตัวที่อยู่ใต้อุ้งตีนเหยียบเขา้าซึ่งมีมือโบอกไว้พยายามจะเอื้อมมารวบข้อเท้าก็ทิ้งแขนทั้งสองข้างงะลงแน่พื้นไม่กระดิกกระเดียกลายเป็นท่อนไม้ไปอีกตัวหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างกลายเป็นความเงียบสงบลงตามเดิมอย่างเต็มไปด้วยเใน นีเสียงอันสยดสยองพองคนที่เขาเผชิญหน้าอยู่เดียวดายมิได้เวลแะคนระคายเข้าขึ้นไปในภายในบริเวณปริมณฑลของปางพักบ้างทีเดียวลึกอย่างน้อยที่สุดก็เสียงตะโกนเอตโรของเขาซึ่งพวกที่อยู่เวรยามควรจะได้ยินบ้างจอมพรานมองขึ้นไปบนแคมป์ที่ไม่ห่างออกไปนะก็ <c oughs> เห็นสภาพทุกอย่างปกติเรียบร้อยดีที่สุดไม่มีอะไรกระโตกกระตากเลยสักนิดและเขาเห็นใครคนหนึ่งเดินสะพายปืนเกรมาอยู่ริมกองไฟจําได้ว่าเป็นพรานเด็กหนุ่มของเขานั่นเองเจ้าเกิดไอ้นั่นสูงบุรี่แดงวาวระว่างที่มายืนหันหน้าาาออกรวป่ คล้ายจะมองมาทางเขาแต่ไม่รู้สึกในท่าทีของมันเลยว่าจะเห็นเขาลุ้นสำเนียงว่าห่างเพียงไม่เกินสามสิบลานอกเขขีดวงล้อมด้วยอาคมของบุญคําน้าตำแหน่งที่ก็นอนแล ะ, ะเผชิญกับสิ่งลี้ลับหน้าขนหัวลูกยูคนเดียวไม่กี่อึดใจที่ผ่านมานี้ได้เกิดอะไรขึ้นเขาป้องปากตะโกนเรียกเกิดออกไปสุดเสียงเปล่าเรากับอยู่คนละโลกเกิดมิวมิวไม่ว่าใครทั้งสิ้นในเขตที่พักไม่ได้ยินเสียงของเขาเลยหาดองละพินพะลุสว่างออกมาก้มลงหาไฟฉายแต่ก็ค้นไม่พบว่ามันไปตกอยู่บริเวณไหนเสียแล้ว ท่ามกลางการชุนอมูลออกนิ้วอยู่คนเดียวของเขากับสิ่งลี้ลับที่ไม่มีสายตาอื่นมาร่วมรู้เห็นด้วยได้แต่ว่าตัวเองเพอ้อบ้าไปก็ใช่ที่พยานหลักฐานเห็นอยู่ชัดๆว่าไอ้ซา ข, ขาดครึ่งตัวนอนนิ่งอยู่ใต้ซอกโขดส่วนที่ขาสีขาก็หมอบกระแตอยู่ตรงนั้นเองห่างแค่ไม่เกิน3ามวาเดินเอาเท้าไปเตะดูก็ยังสัมผัสกึกๆเหมือนเตะคอนไม้เพียงแต่มันไม่กระดิกอีกแล้วเท่านั้นแต่พะไอ้ตัวการที่สำคัญที่สุดซึ่งบุตรวิด จ, จะคว้าขาหอยเขาไว้ได้เป็นตัวที่ถอยหนีเข้าสู่เงามืด จอมผ่านพยายามสงบสติอารมณ์ลงให้เป็นปกติที่สุดเหมือนกับไม่ได้เกิดอะไรขึ้นควักบุหรี่ออกมาครับสบัดซิปโปออกขีดแล้วชะงงวนไปอีกวาระหนึ่งจําได้ว่าถ่านไฟหมดเมื่อตอนบ่ายนี้เพเพิ่งเปลี่ยนประโยกแต่อาการของไฟแท็กเหมือนถ่านหมดจะขีดสักกี่ครั้งก็ไม่เกิดประกายไฟขึ้นเลยครั้งแรกที่สุดนาฬิกาหยุดเดินต่อมากระสุนด้านจะดื้อทำเอ้เขาเกับถึงคาดถ้าไม่ใช่เพราะสิทธิ์มีครูและมาบัดนี้ถ่านไฟที่กําลังขีดอยู่ก็ไม่ยอมเกิดประกายไฟขึ้นมาเสียอีก มันอะไรกันนี่ทะลันเข้าไปถึงเต้หลังค้นหาไม่ขีดธรรมดาขึ้นมาได้กล่องหนึ่งขีดกับแทบ็กอันเป็นฟอสฟอรัสไล่ผลไม่ขีดทั้งกลับมีสภาพเหมือนถูกน้ําเปียกชื้นไปหมดขีดไม่เกิดประกายขึ้นเลยกระพินไพรวันฉุกใจวูบนั้นทันทีหันขวับไปทางแท่นหินลักษณะป ร, ะราดที่มาอาศัยหลบนอนอยู่ถือมีดอาคมเดินปรีเข้าไปยังเดือดดานใจวางปลายมีดลงแตะกับแท่นหินที่งอกขึ้นมาจากใต้แผ่นดินนั้นกลั้นใจบริกรรมจะชั่วครู่ก็พูดหนักๆออกมาเอาละอะไรก็ตาม ทีสิงสถิตยอยู่ตรงก้อนหินก้อนนี้จงปรากฏตัวสําแดงล่างออกมาให้เห็นเดี๋ยวนี้ไม่พออารวาสแหละไม่ต้องอยู่เป็นสุกกันละหรือจะลองดูขาดเสียงของเขาเท่านั้นก็มีกระแสเสียงแผ่วเบาใสเพริยวตามออกมาว่าพรานท่านเป็นผู้หนึ่งที่จัดอยู่ในประเภทผู้แก่กล้าฤทธิ์แล้วแน่จะทางดีราชานวิชาก็ตามจงเห็นแก่พระผู้เป็นมีพระภาคเจ้าอย่าทําอะไรเรานะพระพินหัวเราะหึห่หในลําคออ้อผู้หญิงเสื้อด้วยออกมาได้ยินไหม เงาสีขาวรางรงเหมือนการรวมตัวของกลุ่มหมอกที่ปกคลุมบางๆอยู่ทั่วไปในขณะนี้ก่อตัวขึ้นเป็นรูปร่างไม่ค่อยเด่นชัดขึ้นจนสังเกตเห็นสันฐานลักษณะได้เขาเพ่งร่างนั้นแบบบางสูงระหงใบหน้าคมเข้มเหมือนเผาอารยันผมยาวถึงเอวยืนเด่นอยู่ชิดแท่นหินประหลาดนั้นห่างจากเขาออกไปราวสองวาเป็นภาพที่ทรงตัวอยู่เฉยๆไม่มีส่วนเท้าแตะติดพื้นดินพลังจิตของเ้าที่พุ่งตรงไป เป็นการบีบบังคับสามารถจะกำหนดรูปร่างหลอนผู้นั้นได้เพียงแค่นั้นเองไม่อาจชัดเจนเป็นตัวตนได้มากไปกว่า น, นี้ลักษณะอาการของร่างนั้นดูจะเต็มไปด้วยแววกลิ่นเกรงหวาดประหมา่าแต่ก็สนิทนิ่งอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนไหวเลยเธอเป็นอะไรพูดพลายนางไม้เจ้าป่าเจ้าถ้ำเจ้าเขาปีศาจรา้ายคือหาลุกคเทพหรือว่าอากาศเทพการใหญ่ถามต่ ำ, ตำ เรามีนามว่าอาราัญญาณีเป็นบุตรีแห่งท้าวสหัสเดชะผู้ครองขุนเขาและถ้ำเบื้องหน้าโนทนแม้ภาพจะไม่ชัดแต่สำเนียงที่ต่อมาชัดเจนเหลือประมาณช้าช้าเป็นจังหวะตักเราเหนือกว่าพูดร้ายลุกเทพหรืออากาศเทพแต่เรายังวนเวียนอยู่ในผู้ภพภูมิที่ทุกขเวทนาเป็นอารมณ์ยังไม่หลุดพ้นได้เราไม่ได้มีพิษมีภัยใดๆต่อท่านเลยอย่าพึ่งเห็นเราเป็นศัตรูไปมิฉะนั้นบาปเดนจะติดตัวท่านผีก็ไม่ใจเทพทิดาก็ไม่เชิง แตถ้าไม่คิดที่จะเป็นศัตรูกับฉันแล้วไหนลองบอกมาสิมันเรื่องอะไรที่เธอมาทําให้กระสุนปืนของฉันด้านปล่อยให้ไอ้ผีนรกพวกนี้แห่เข้ามาเล่นงานฉันกับเสียท่ามันเมื่อยกๆนี่เธอรู้เห็นเป็นไกลกับพวกมันงั้นหรือดวงหน้ารังๆงสั่นสายไปมาแช่มช้าเป็นความผิดของท่านเองที่มายึดนอนอยู่ยังตำแหน่งแท่นหินอันเป็นตำแหน่งของยอดถ้าใต้พิภพที่งอกขึ้นมานี่โดยไม่พิจารณาจะให้รอบคอบว่าแท้ที่จริงมันคืออะไร เราได้รับองค์การประกาศสิทธิจากพระมหาเทพให้มาสถิตยอยู่หน้าตำแหน่งแท่นอันเป็นยอดของถ้ำใต้ดินนี้ทำหน้าที่พิทักษารักษาของสำคัญจนกว่าจะมีผู้พร้อมไปด้วยบุญญาบารมีเอาของสำคัญสิ่งนั้นไปเมื่อนั้นจึงหมดภาระหน้าที่ของเราและละจากภูมินี้ขึ้นไปสู่ภูมิที่สูงกว่าแต่เราก็ถูกกำหนดให้เฝ้าอยู่หน้าที่นี้มานานแสนนานและของช่วงเวลามนุษย์ตัวยังไม่มีผู้ใดมาโปรดปล่อยเราให้พ้นจากองค์การประกาศสิทธิ์นั้นได้เลย ถ้าท่านจะช่วยเหลือเราได้ก็จะเป็นมหากุศลยิ่างของสําคัญสิ่งนั้นแหละที่ทําให้อาวุธทุกชนิดของท่านไร้ผลโดยสิ้นเชิงยกเว้นอย่างเดียวเท่านั้นคือมีดลงอาคมเต่มที่ท่านถืออยู่ในมือนั่นประพินเ ม, ม, ม้มริมฝีปากแน่นจ้องเขม่งไปยังแท่นหินลักษณะประาดนั้นถ้าเช่นนั้นสังหารของฉันก็ไม่ผิดของสิ่งนั้นอยู่ในถ้ําใต้ดินตรงแท่นหินนี้เองใช่ไหมใช่แล้วพลานราดเหล็กไหลก้อนใหญ่ยิ่งมีเส้นทางเดินตลอดไปทั่วถ้าบนหน้าผาโน้น และในขณะที่ได้เคลื่อนย้ายมาอยัางตำแหน่งปากถ้ำใต้ดินต่ำกว่าระดับแท่นหินนี่ลงไปมันประจวกเหมาะกับที่ท่านมาพักหลับนอนอยู่ที่นี่พอดีเราจะเตือนท่านแล้วให้ออกให้ห่างจากแท่นหินนี้มิฉะนั้นอาวุธของท่านจะสิ้นคมสิ้นฤทธิ์แต่เราก็ออกมาเตือนท่านไม่ได้เพราะมีดอาคมที่ท่านปากักฝากแม่พระธรณีไว้ก่อนที่จะหลับหากท่านต้องการจะให้อาวุธของท่านทางานได้ผลก็จงออกให้ห่างจากแท่นนี้ในรัศมีห้าวา ฉะนั้นอย่าว่าแต่อื่นใดเลยแม้แต่ไฟท่านก็ก่อไม่ติดถ้ายังยึดหยุดใกล้ทิดแท่นหินนี้เอาละฉันเข้าใจแล้วและเชื่อว่าเธอไม่ได้มีเจตนาร้ายกับฉันจะเป็นอิทธิพลของแร่ธาตุลีรับก้อนนี้นี่เองที่แผ่รังสีออกมาควบคุมอาวุธของฉันไว้ตำแหน่งที่จะโผล่ออกของพระราชเหล็กหลยอยู่ตรงแท่นหินนี้หรือจะออกได้ก็เฉพาะตรงตำแหน่งใต้ซอกหินของยอดถ้ำใต้ดินนี้เท่านั้น แม้ว่าจะมีทางเดินไปได้ทั่วตลอดแนวของขุนเขาแถบนี้และจะไม่สถิตอยู่ตรงตำแหน่งนี้ตลอดเวลาจะย้ายไปตามการเวลาใต้แผ่นดินนี้้วันเป็นภูเขาและถ้ำทั้งสิ้นติดต่อไปถึงกันได้ตลอดขณะนี้เวลานี้พระราชฎรเหล็กไหลายมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ท่านเองก็มาพักนอนอยู่ที่นี่พอดีถ้าท่านเชื่อว่าตัวเองมีฤทธิ์มีบุญญาบารมีพอก็จงอัญเชิญพระราชเหล็กไหลก้อนนี้ออกไปเสเถกด เราจะได้หมดภาระที่จะต้องเฝ้าพิทักษ์และละจากสถานที่นี้สิทีเราเฝ้ารอคอยมานานนักหนาแล้วอรัญญานีเขาเอ่ยเรียกนามของหล่อนผู้นั้นอย่างกรุณาเป็นกันเองฉันเป็นแต่เพียงพรานพรายธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นแม้จะมีวิชาอยู่บ้างก็เป็นเพียงขั้นต่ำต้อยดังที่เธอว่าไม่มีบารมีพอที่จะอัญเชิญพระราชเหล็กไหลก็ น, นีออกไปได้หรอกเธอจงเฝ้าดูแลพิทักษ์ต่อไปเถิด ถ้าเป็นไปได้ก็จงช่วยอัญเชิญให้เคลื่อนตัวท้ายห่างออกไปเสียก่อนอย่าให้อาวุธสำคัญของฉันต้องเสื่อมลิดลงจะทำให้ฉันต้องเพียงพรำต่อศัตรูเราในฐานะเพียงแค่ผู้พิทักษรักษาไม่มีอำนาจพอที่จะกำหนดเส้นทางเดินของพระราชเล็กไหลได้จะเคลื่อนย้ายไปยังตำแหน่งใดก็จะเป็นไปตามวาระของพระราศเล็กไหลเองก่อนสว่างของราตรีนี้จะยังไม่เคลื่อนย้ายไปที่ใดทั้งสิ้นฉะนั้นพราน ทางแก้ของท่านย่อมมีอยู่ทางเดียวเท่านั้นจงถอยให้ห่างตำแหน่งแท่นหินนี้ออกไปในรัศมีห้าวาดังเราได้บอกท่านไปแล้วอันหนึ่งศัตรูใดของท่านก็ตามถ้าหากยังอยู่ในรัศมีดังกล่าวอาวุธของท่านที่จะพุ่งตรงมาก็ย่อมจะไร้ผลเช่นกันถอยห่างออกไปเสียห่างออกไปแขนขาวโพร น, นั้นโบกไล่เขาเดียวอรัญญาณียางน้อยที่สุดฉันก็ขอขอบใจเธอที่ชี้บอกความจริงให้ แต่ไหนๆเธอก็ได้ปรากฏตัวแล้วต่อหน้าฉันนบบัดนี้เพราถามอีกคําถามเดียวเท่านั้นจะช่วยให้ความสว่างได้ไหมถ้าเราบอกได้เราก็จะบอกไอ้ผีนรกเล่านี้มาจากไหนที่มันพยายามติดตามจะล้างผาจองล้างฐานนี่ขณะนี้ด้วยประสงค์อันใดนึกย้อนอดีตเถิดพรานท่านเคยมีเวรภัยไว้กับสิ่งใดบ้างสิ่งนั้นไม่ได้สูญสลายไปไหนทากจะวนเวียนรอคอยจองเวรท่านสุดแต่โอกาสของมันบัดนี้เป็นโอกาสของมันแล้ว ท่านผ่านเข้ามาในแนวทางของมันมันคอยท่านอยู่มันไตรผู้คำรามออกมาใช่แล้วมันตรายแห่งนิทรานครผู้มีวิญญาณชั่วร้ายอันเป็นอมตะท่านผ่านร่างของมันได้ทั้งสองร่างในครั้งกระนั้นแต่วิญญาณของมันก็ยังล่องลอยวนเวียนอยู่พร้อมด้วยอิทลิศติตยามนกาลีท่านทําลายมหาคำพีมายาวินได้แต่ท่านก็ยังทําลายดวงวิญญาณของมันไม่ได้ท่านปลดปล่อยทุกวิญญาณจมทุกของนิทรานนครเป็นอิสระเพื่อไปผุดไปเกิด เพื่อรอดพ้นจากอำนาจบีบังคับเป็นทาสของมันมานานนับกลับกันนั่นคือสิ่งที่มันสูญเสียและอาฆาตท่านอยู่มันไตรไม่จําเป็นจะต้องอยู่ในร่างเดิมอันเป็นนักบวชของมันหรือพยักษ์หินศีรษะหินที่มันใช้เป็นพาหนะสร้างอาบยาในสุสานนิทรานครยังมีอีกนับร้อยนับพันที่มันจะใช้อิทธิฤทธิ์เว็มมุนอันเก่าแก่อันแก่กล้าเข้าสิงและนำร่างนั้นออกมาใช้ได้จนกว่าจะสมดสุสานยิ่งกว่านั้นก็ยังแผ่ฤทธิ์อำนาจมืดของมันไปสิงอยู่ในโคชสาร เพื่อช้าให้มาเป็นภัยต่อท่านได้ท่านมีดีมันก็รู้แต่มันก็รู้ว่าคนที่อยู่ในคุ้มครองของท่านไม่ได้มีดีทุกคนไปมันฆ่าท่านโดยตรงไม่ได้เมื่อยังไม่มีโอกาสมันก็จะหาทางฆ่าคนของท่านกําจัดบัญทอนไปตามลําดับคนที่สุดท่านก็จะประสบความพ่ายแพ้ปลาชาัยเองจงเตรียมรับมือและอย่าประมาทภาพร่างหรือ ภ, ภาพร่างลึกลับนั้นเตือนมาอย่างมิชี้ทางให้ได้บ้างไหมว่าฉันจะหาทางแก้คนมันได้ยังไง พรานได้โปรดเถิดกระแสะเสียงนั้นวิงวอนเราไม่อยู่ในฐานะที่จะชี้แนะใดใดให้แก่ท่านได้เพราไม่ใช่กิจของเราเท่าที่เราได้ปรากฏกายให้ท่านเห็นและสนธนาปราายกับท่านในท่านในสภาพเช่นนี้เราก็ทําผิดกฎแห่งการแบ่งขั้นพรมแดนมากแล้วท่านบังคับเรียกเราออกมาด้วยกริยาอาคมแก่กล้าของท่านจงเห็นแก่สวรรค์ลดปล่อยเราไปเสถิดอย่าได้สะกดตรึงเราไว้อีกเลย ท่านเองก็เป็นเอกบุรุษชาติอาชาในผู้แม้แต่เทพยดาฟ้าดินก็ยังคารวะยกย่องจงใช้สติปัญญาและความรอบรู้ของท่านเขาแก้ไขสถานการณ์เองอย่าให้เราเข้าไปผัวพันมีบาปเบนอยู่กับสิ่งใดเลยท่านเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งสัจจะกตตันยูกตเวทิตาเป็นที่ตั้งเป็นผู้อุปธรรมสนองตอบคุณมารดาสิ่งเหล่านี้จะเป็นเกราะป้องภัยให้แก่ท่านได้แต่บาปเบนของท่านยังมีอยู่จงก้มหน้ารับกรรมนั้นไปก่อน ระพินถอนใจยาวในที่สุดเขาก็ยกปลายมีดอาคมที่กดแตะแท่นหินก้อนนั้นออกสอดมีดคืนสู่ฝักไปเธออรัญญาณีขอให้เธอจงเป็นสุขและหลุดพ้นจากภาระหน้าที่นี้เสียโดยเร็วสักวันหนึ่งคงจะมีคนมีบุญญาที่การอันเชิญพระราชเชล็ก ไ, ลไปจากที่นี่ได้และเมื่อ น, นั้นเธอจะหมดภาระเสียทีแต่คนคนนั้นคงไม่ใช่ฉันหรอกฉันจะอันเชิญออกมาได้ ก็คงไม่มีบารมีพอที่จะเก็บรักษาไว้ได้และปฏิเสธไม่ขอรับความทะเยอทะยานโลกโมโทสันนี้ดวงหน้างามอย่างไม่ใช่มนุษย์ดวงนั้นยิ้มกับเขาเป็นครั้งแรกเราลาก่อนขอความสวัสดีจงเป็นของท่านจบเสียงวิเวกนั้นภาพเหมือนกลุ่มหมอกก็จางสลายไปอย่างรวดเร็วทุกสิ่งทุกอย่างแวดล้อมรอบตัวเยือกเย็นวังเวก และว่างปลาเหมือนเดิมทั้งหลายทั้งปวงที่เข้าเผชิญล้วนเป็นสิ่งที่พบเห็นเฉพาะตัวเท่านั้นไม่มีสายตาที่สามเข้ามาร่วมรับรู้ด้วยทั้งสิ้นและเป็นสิ่งที่เขาไม่อยู่ในฐานะที่จะปรีปากบอกใครได้เลยบัดนี้ระพินสงบจิตอีกครั้งพยายามสำรวจไปยังสิ่งแวดล้อมรอบตัวไม่ใช่ฝันจำได้อย่างแน่นอนว่าในวินาทีคับขันที่สุดก่อนที่ไอ้ผีนรกซึ่งบัดนี้ เขารู้แน่แล้วว่ามันคือมันตรายศัตรูคู่แค้นเก่าซึ่งมาในอีกร่างหนึ่งกำลังจะเอื้อมมือมาควา้าขออยู่รอมรอดเขาได้ยินเสียงเรียกนามของตนเองแหลมกล้องมาในอากาศจนเดี๋ยวนี้ก็ยังจำได้ติดหูก็เพราะเสียงร้องเรียกชนิดนั้นแหละที่ทำให้สติอันเลือน ล, อน ล, า, ง ล, า, งลางกลับคืนมาและช่วยแก้ไขสถานการณ์ขับขันจวนเจียนนั้นไว้ได้เป็นเสียงของดารินวราฤทธิ์แน่นอนแต่มันลอยมาได้ยางไร จากไหนเรียกว่าอุปทาน